เรื่องที่27เรื่องผีหล่อพระประสบการณ์ประหลาดสุดในชีวิตของข้าพเจ้าเรื่องราวของสัตว์เรื่องของคนและเรื่องป่าเขาลำนาวดงถึงจะมีข้อแม้สับสนวนเวียนสักเท่าไหร่ก็พูดไม่สูดยากพอพูดขาดคำคนฟังก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตัดสินใจได้เด็ดขาด ถึงเรื่องผีก็พูดไม่ยากถ้าเป็นเรื่องผีล้วนๆเล่าจบแล้วก็จบเรื่องใครอยากเชื่อก็เชิญใครไม่อยากเชื่อก็ทมใจแต่มีเรื่องที่พูดยากเขียนยากอยู่เรื่องหนึ่งยากกว่าเรื่องคนและเรื่องผีคือเรื่องประเภทครึ่งผีครึ่งคนยากทั้งคนพูดทั้งคนฟังเพราะคนพูดก็อยากพูดคนฟังก็อยากฟัง แต่ทั้งคนพูดและคนฟังก็ตัดสินใจยากว่าจะเชื่อดีหรือไม่ดีเรื่องประเภทที่ว่านี้คือเรื่องของการส่งเจ้าเข้าผีเป็นเรื่องที่เชื่อยากจริงๆเพราะ1ิบครั้งที่เราเคยพบเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่แล้วก็มีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่น่าพิศวงดังประสบการณ์ในชีวิตจริงของข้าพเจ้าซึ่งจะนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ แต่ก่อนที่จะเล่าข้าพเจ้าขอทําความเข้าใจกับท่านผู้อ่านผู้ฟังให้แน่เสียก่อนว่าตามปกติแล้วข้าพเจ้าไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีผีสางสารต่างคนต่างอยู่ผีก็ไม่เคยมารบกวนให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนและข้าพเจ้าก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นเขาแล้วก็ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันถ้าจะมีบ้างก็กับคนที่ทําตัวเป็นผีหลอกคนด้วยกัน เช่นครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหนุ่มน้อยมีคนทําตัวเป็นผู้วิเศษมารับจ้างจับผีออกจากบ้านคนวิธีทำเขาใช้หม้อดินขนาดหม้อหุงข้าวกินสองคนอิ่มใส่ข้าวสุกปั้นไว้ในนั้นปั้นหนึ่งแล้วเอาผ้าขาวเขียนยันปิดปากหม้อไว้มีสายศินวนรอบบริเวณที่ตั้งหม้อห้ามคนเข้าไปในสายศิน ครั้นแล้วตัวเขาเองก็ทําวิธีเรียกผีออกจากใต้พื้นดินบ้างบนหลังคาบ้านบ้างตามมุมรั้วมุมเรือนบ้างแล้วก็ทําท่าจับผียัดใส่ลงในหม้อผีบางตัวไม่ยอมให้แกจับกุมโดยละม่อมถึงกับปลุกปล้ำกันหกล้ม6ลุกก็มีครั้นทําอยู่นานพอสมควรแล้วแกก็บอกว่าจับผีได้หมดแล้วบรรดาผีที่มาแอบแฝงอยู่ในบ้าน ถูกควบคุมตัวไว้ในหม้อหมดเรียบร้อยและสร้างความศรัทธาให้แก่เจ้าของบ้านแกจะเสกน้ำมน์เทลงไปในหม้อรประมาณสักครึ่งแก้วสักครู่หนึ่งแกจึงบอกให้พวกเราตะแคงหูฟังทุกคนต่างตกตะลึงรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเพราะเราได้ยินเสียงเดินอยู่ในหม้อสับสนอลหม่านหมอผีก็บอกว่าผีถูกน้ำมนเข้าเลยดิ้นรนใหญ่ หลังจากนั้นเขาก็ทำพิธีเผาผีโดยเอาหม้อผีใบนั้นตั้งลงในกองไฟช่วยกันขนฟืนมาเผาอย่างไม่ปราณีทีเดียวครั้นไฟมอดหมดแล้วแกก็ให้พวกเราดูภายในหม้ออีกแหละประหลาดอะไรอย่างนั้นในหม้อนั้นนอกจากขี้เถ้าข้าวสุกปั้นแล้วยังมีกระดูกชิ้นเล็กๆอยู่มากมายแกบอกว่ากระดูกผี นายคนนี้หากินทางจับผีมานานได้เงินชาวบ้านมากอยู่แกวางตัวเป็นผู้พิชิตผีใหญ่โตแต่ในโอกาสเดียวกันนั้นก็มีพ่อหนุ่มน้อยคนหนึ่งคอยจับหมอผีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เชื่อว่าแก จ, จับผีได้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่หมอผีกำลังทำการจับผีมาให้คนคนหนึ่งแกบอกผีตัวนั้นดื้อ ม, มากต้องไล่ตะคุบกันนาน และออกไปไกลจากหม้อผีมากพ่อหนุ่มได้โอากาสเหมาะจึงแอบเปิดผ้ายันปิดปากหม้อออกดูเห็นมีข้าวปั้นอยู่ 2-3 ถึงปั้นจึงบีออกดูเว้นกรรมแกอาปูนาเป็นๆมาใส่ไว้ในข้าวปั้นความมุ่งหมายก็เพื่อจะแสดงให้คนดูคือตอนราดน้ำมนต์ลงไปข้าวปั้นละลายออกปูก็ไต่หมอ้อ คนตะแคงหูฟังได้ยินเสียงปูเดินคิดว่าผีขนลุกขนพองและเมื่อเผาแล้วกระดูกที่เห็นก็คือกระดูกปูนี่เองโดยไม่รอช้าพ่อหนุ่มก็เก็บเอาปูออกจากในหม้อจนหมดแล้วปิดยันไว้ตามเดิมวันนั้นมันเป็นเคราะห์กรรมของหมอผีหลังจากแกอวดอ้างว่าได้จับผีใส่หม้อหมดแล้ว ก็เทน้ำมนต์ลงใส่ในหม้อตามเคยหวังจะให้ผีเดินให้คนฟังแต่แล้วเงียบผีไม่เดินสักหน่อยแกก็บอกว่าวันนี้เสกน้ำมนต์แรงไปหน่อยพอถูกผีเข้ามันเลยเป็นง่อยหมดปล่อยให้แกอวดอิทธิฤทธิจนพอใจแล้วหมอผีน้อยจึงควักอปูนาที่ซ่อนไว้ออกมาและบอกแกใครๆว่าถูกหมอหลอก ตาหมอผีหน้าซีดเหมือนไก่ต้มพอหายตะลึงก็รีบเพ็นหนีประชาทันอย่างไม่คิดชีวิตนี่ก็คนหลอกคนหรือจะเรียกว่าคนหลอกผีก็เห็นจะได้ด้วยเหตุชนี้ข้าพเจ้าจึงไม่สนใจกับหมอผีแต่ข้าพเจ้าไม่ชอบขัดคอคนอื่นเสียเวลาทามาหากินเปล่าๆถืออุดมคติของท่านเจ้าคุณพระาศาสนโสพลแจมวัดมกุฏดีกว่า ท่านว่าว่าขาดคอเขาเขาก็โกรธพิโรธเรานักเลงเก่าเขาไม่หานหลานนักเลงท่านคงจะทราบแล้วว่าในกรณีผีสางนี้ข้าพเจ้าถือนโยบายเป็นกลางข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกผีและในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่ประสงค์จะให้ผีมายุ่งกับธุระของข้าพเจ้าด้วยไม่ว่าจะมาในลักษณะใดก็ตาม และข้าพเจ้าเองก็มั่นใจตลอดเวลาว่าผีกับข้าพเจ้าไม่เคยมีอะไรกันแต่แล้วข้าพเจ้าก็บังเอิญได้รู้เห็นเหตุการณ์บางอย่างนะ ว, ว่าเป็นเรื่องประหลาดที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าประหลาดจริงๆประหลาดจนข้าพเจ้าเองก็ตัดสินใจไม่ลงว่ามันคืออะไรกันแน่จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านผู้เป็นปัญญาชนจะได้ช่วยกันวิจารณ์ดู เพราะมันเป็นเรื่องเครึ่องคนเครื่องผีเอาล่ะครับเชิญตามข้าพเจ้ามาเราจะไปยังวัดเกศการามอำเภอเมืองคันทีจังหวัดสมุทรสงครามวันนั้นข้าพเจ้าหมายถึงวันหนึ่งในระหว่างพรรษาปีพุทธศักราช2481แต่จะเป็นขึ้นแรมกี่ค่ำก็จำไม่ได้เสียแล้วเพราะเวลาล่วงเลยมานาน จำได้แต่ว่าเป็นระยะเวลาจวนออกพรรษาระดับน้ำในแม่กลองกำลังเอ่อท้นปิ่มตลิ่งรับสายฝนท้ายฤดูวสฝนซึ่งตกพรมอยู่วันแล้ววันเล่าหลายวันมาแล้วที่กุฏิท่านสมพานซึ่งอยู่กลางวงล้อมของหมู่กุฏิแบบวัดชาวสวนทั่วไปท่านสมพานพระครูพระหมัจจริยาพิรม พรมสุปัญโยกำลังนั่งสนทนากันอยู่กับข้าพเจ้าขณะนั้นจำได้ว่าราวบ่ายสองโมงได้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านภายเรือทวนน้ำขึ้นมาจากทางอัมพวาพอผูกเรือที่กระไดท่าน้ำหน้าวัดเสร็จแล้วก็เดินตรงมาที่กุฏิสมพาน์ทีแรกเราก็ไม่ได้สังเกตท่าทางอะไรมากนะัก มารู้สึกแปลกเอาเมื่อเขาเดินเข้ามาที่ห้องรับแขกแล้วแทนที่จะไหว้ท่านสมภารหรืออย่างน้อยก็นั่งลงตรงที่จัดไว้สำหรับแขกสมภารแต่นี่เปล่าแกเดินเฉียดหน้าท่านสมภารตรงขึ้นไปนั่งบนอาสนะสูงซึ่งเป็นที่ท่านสมภาร น, นั่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งขัดสมาธิอย่างสง่าผ่าเผย ไม่มีอาการสะทกสะท้านหรืออ่อนน้อมต่อท่านสมพันธ์แม้แต่น้อยไงยท่านผู้ใหญ่วันนี้มาถึงนี่เถอะหรือท่านสมพันธ์เริ่มทักทายในฐานะที่เป็นคนรู้จักกันและมาจากต่างบางนนี่คุณพรมผู้ใหญ่บ้านแทนที่จะตอบคำถามเชิงทักทายของท่านสมพัน์กลับพูดด้วยสำเนียงเก้าๆ และบางอาจเรียกท่านสมภารว่าคุณพรมซึ่งเป็นการออกชื่อเดิมของท่านอย่างที่พระมหาเถราเท่านั้นที่จะร้องเรียกเช่นนั้นท่านสมภารรู้สึกง ง, ง, ง, งมองหน้าผู้ใหญ่บา้านแล้วก็หันมามองข้าพเจ้าพลางยิ้มเล็กน้อยฉันอยากจะหลอพระพุทธ ร, รูปสักองผู้ใหญ่พูดต่อไปคุณช่วยเป็นธุระให้หน่อยได้ัหม ท่านสมพานยังไม่หายตะลึงจึงถามขึ้นว่าเอ๊ะท่านผู้ใหญ่เป็นยังไงไปเออนะผู้ใหญ่แกไม่ได้เป็นอะไรหรอกฉันมีทุละเลยขอยืมตัวแกมาหาเธอหน่อยผู้ใหญ่บ้านว่าเอา้าแล้วใครล่ะที่กำลังพูดอยู่นี่ท่านสมพานพูดแกมหัวเราะเล็กน้อยพรางรินน้ำชาส่งไปให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นการปฏิสันฐาน ฉันหรือจะพ่อเนีนยังไงล่ะผู้ใหญ่บ้านพูดหมายถึงเจ้าพ่อวัดบ้านแหลมซึ่งเรียกตามนามเดิมของท่านว่าเจ้าพ่อเนนเจ้าพ่อวัดบ้านแหลมนอะหรือท่านสมพานถูกแล้วผู้ใหญ่บ้านตอบแล้วก็พูดตอบไปว่าฉันอยากจะหล่อพระสักองค์หนึ่งเธอช่วยติดต่อช่างหล่อให้หน่อยสิเห็นรู้จักกับพวกช่างดีไม่ใช่หรือ ใครจะเป็นเจ้าภาพหรอท่านสมพานฉันเองท่านผู้ใหญ่เนะหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่แกไม่รู้เรื่องอะไรฉันเจ้าพ่อเนนจะเป็นเจ้าภาพแล้วจะให้ติดต่อกับช่างยังไงท่านสมพานถามอย่างงุนงงก็ให้เธอไปว่าจ้างเขามาสิเหม า, าทั้งค่าแรงค่าของเลยเขาจะคิดเท่าไหร่ให้เธอตกลงเขาดูร่างผู้ใหญ่บ้าน ตอบไม่ตรงความมุ่งหมายของพระคูพรมซึ่งท่านหมายถึงเรื่องเงินทองใครจะออกแล้วเงินค่าจ้างหละ่ะทองที่จะหลอด้วยจะอาที่ไหนท่านสมพัน์ถามตรงๆ ต, ตามปกติวิสัยของท่านซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเอาชะทีเหนียวเอาการอ๋อเรื่องเงินเรื่องทองเธอไม่ต้องห่วงเป็นธุระของฉันเองร่างของท่านผู้ใหญ่บ้านว่า แล้วก็สั่งสำทับอีกเธอไปหาจ้างช่างอย่างฝีมือชั้นหนึ่งมาก็แล้วกันเงินเราไม่อั้นท่านพระครูสม่านพูดอะไรไม่ออกได้แต่รินน้ำชาแล้วยกขึ้นจิบปลอบใจไปพลางใจจริงของท่านคือคิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลและค่อนข้างจะคิดว่าโดนผู้ใหญ่บ้านเล่นกนเท่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพรมเธอลองนึก ไปถึงช่างหล่อที่กรุงเทพสักคนสิที่เธอชอบฝีมือเขาอะแล้วฉันจะไปดูฝีมือเขาร่างผู้ใหญ่บ้านว่าต่อไปนึกแล้วท่านสม่านพูดขึ้นหลังจากที่ทําเป็นหลับตานึกอยู่ครู่หนึ่งเดี๋ยวนะฉันจะไปดูสิร่างผู้ใหญ่บ้านว่าแล้วก็หลับตาตะแคงสีสษะนิดหน่อยแสดงว่ากำลังนึก เพียงไม่ถึงอึดใจเขาก็พูดขึ้นว่าฝีมือเขาใช้ได้แต่ที่ในห้องของเขาก็มีพระหล่อใหม่ๆอยู่องค์หนึ่งเป็นพระยืนปางห้ามญาติตรงกับที่ฉันอยากจะสร้างหากเขาให้เช่าองค์นั้นเลยก็เอานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าแต่เขาไม่ให้หรอกฉันถามเขาดูแล้วเขาบอกว่ามีคนอื่นมาว่าหล่อไว้แต่ไม่เป็นไร เธอเข้าไปทำสัญญาจ้างเขามาหล่อที่แม่ก้องนี่เลยก็แล้วกันสิ้นคำพูดร่างของผู้ใหญ่ก็กระตุกพรวดพราาขึ้นแล้วก็ทำท่าว่าเขาฟื้นสติตแล้วเขาสบัดศีรษะเอามือขคยี่ตาไปมาสแสดงความรู้สึกงุนง ง, งแล้วก็ถามขึ้นว่านี่ที่ไหนครับวัดเกียตยังไงท่านสมพานวัดเกียต บางคั้ที่ผู้ใหญ่บ้านทวนคำพลางถอยหลังกรูดลงจากอาสนะมากราบท่านสมพานประลกปรกแล้วก็ถามท่านสมพานว่าผมมาอย่างไงท่านสมพานกับข้าพเจ้าช่วยกันเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าเขาได้แสดงกิริยาและพูดจาอะไรไปบ้างฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้เราฟังว่า ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่หัวบันไดท่าน้ำหน้าบ้านเห็นพระองค์แก่ๆองค์หนึ่งเดินขึ้นไปหาหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพึ่งมารู้ตัวตอนนี้เองเราทั้งสามแน่ใจแล้วว่าได้มีผีเจ้ามาเข้าทรงในร่างของผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้วก็เลยปรึกษาหาเรือเชิงปรับทุกกัน ท่านสมพานก็คาดคานรองกับผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าท่านไปทําสัญญาจ้างช่างมาแล้วเกิดไม่มีใครออกค่าจ้างหรือไม่มีท้องให้เขาหล่อผู้ใหญ่บ้านจะต้องรับผิดชอบข้างฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้พูดอะไรไปบ้างและไม่ยอมรับผิดอะไรทั้งสิน้นครั้นแล้วเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าให้ทําเฉยเฉยเสียอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เลย ท่านสมภารค่อยโล่งใจอุทานออกมาว่าเล่นกับผีประเดี๋ยวได้เรื้อกุติขายกันเท่านั้นเองพอขาดคำโดยที่ใครไม่คาดฝันร่างของผู้ใหญ่บ้านเกิดมีการสั่นเทาขึ้นอีกเขาเปลี่ยนจากท่านั่งจากพับเพียบเป็นขัดสมาธิเอามือชี้หน้าท่านสมพา์พลางดุเสียงลั่นว่าคุณพรมคุณนี่พูดเป็นเด็กอมมือไปได้ คนเราโตโตด้วยกันแล้วพูดกันไม่รู้ภาษาฉันก็เป็นพระเหมือนกันฉันพูดแล้วฉันก็ต้องรับรองสิบอกว่าเงินทองเธอไม่ต้องห่วงเอาล่ะออกภรรษาแล้วจะไปติดต่อให้ท่านสมพาน์พูดดูจะฉิวนิดๆไม่ได้คุณพรมฉันอยากจะหลอกให้ทันในภรรษาช่วยติดต่อให้ท่านหน่อยนะในภรรษาไปไม่ได้กลับไม่ทัน ท่านสมพานหาเรื่องอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงทำไมจะทำไม่ได้สำคัญว่าเธอมีแก่ใจจะช่วยงานฉันหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเธอมีแก่ใจก็ไปได้สัตหะไปสิกิ่พระศาสนาอย่างนี้สัตหะได้โดนเจ้าพ่ออ้างสิขาวินัยอย่างถูกต้องคล่องแคล่วท่านสมพานก็หมดแต้มในที่สุดท่านก็ต้องยอมลั่นวาจารับปากจะเข้ามาว่าจ้างช่างที่กรุงเทพ ร่างอันปราศจากความเป็นตัวของตัวผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นลาพระครูเจ้าอาวาสโดยกิริยาเหมือนเถรระลาสามเณรน้อยคือลุกพรวดพลาดพลางพูดว่าฉันจะกลับก่อดแล้วเดินตรงไปยังท่าน้าลงเรือพายป๋อมๆกลับไปทางเดิมฝ่ายท่านสมภารก็สัตหาเข้ากรุงเทพสองถึงสามวันให้หลังท่านก็กลับถึงวัด แล้วบอกใครๆว่าช่างคิดค่าจ้าง80บาทและทองที่เหลือจากหล่อพระจะต้องยกให้เขาหมดด้วยพวกเราพากันรอมันหล่อพระด้วยความกระหายเพราะมันเป็นงานที่แปลกมากไม่มีมนุษย์ผู้ใดรับผิดชอบเป็นเจ้าพักแม้คนทรงนั่นเองพอตอนทรงออกแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นและจนกระทั่งป่านนี้ เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันนันไว้กับช่างพวกเราก็ยังไม่ทราบว่าจะตั้งงานที่ไหนวันคืนดูรู้สึกว่าผ่านไปอย่างชื่งช้าเหลือเกินสำหรับพวกเราแต่สำหรับท่านสมภาร น, นั่นแน่ละ่ะท่านเป็นคู่สัญญากับช่างหล่อยิ่งใกล้วันนัดดูท่านยิ่งร้อนที่นั่งเอามากทีเดียวถึงกลับไปเที่ยวออกปากกลับใครๆไว้ว่าจะหากเจ้าเกิดเลหลวไหลขึ้นมาแล้ว ก็ขอให้ช่วยเหลือท่านด้วยจนกระทั่งเหลืออยู่วันเดียวจะถึงวันนัดร่างของผู้ใหญ่บ้านก็พายเรือป๋อมๆมาหาท่านสมพานอีกด้วยกิริยาท่าทางเช่นเคยแล้วก็บอกแก่ท่านสมพานว่างานหล่อพระครั้งนี้ให้ไปทำที่บ้านของหญิงชราคนหนึ่งข้าพเจ้าเสียใจที่จำชื่อไม่ได้เสียแล้วจำได้แต่ว่าถ้าจะล่องลงไปจากทางวัดเกต ทางฝั่งตะวันตกแม่กลองจะต้องเลี้ยวเข้าคลองเล็กๆจะเป็นก่อนหรือหลังถึงวัดบางน้อยไม่แน่ใจนักแต่ล่องจากวัดเกศไปราวสองชั่วโมงเข้าลำประโดงไปสัก 2-3 ถึงสเส้นจากแม่น้ำก็จะถึงบ้านนั้นการมาของเจ้าในร่างของผู้ใหญ่บ้านวันนั้นไม่ได้ทำให้ท่านสมพานสบายใจขึ้นกี่มากน้อย เพียงทราบว่าจะตั้งงานที่ไหนแต่ท่านและพวกเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าบ้านหลังไหนแน่และเรื่องสำคัญคือเงินค่าใช้จ่ายและทองที่จะหล่อพร ะ, จะเจ้ามาจากไหนเจ้าก็สั่งเด็ดขาดว่าให้ท่านสมพานมีหน้าที่เพียงนิมนต์พระสวดชยันโตเท่านั้นจำได้ว่าจำนวนไม่น้อยกว่า30 ร, รูปเพราะหลายวัดด้วยกัน จะต้องเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่หัวคำ่ำและสวดเป็นระยะระยะจนถึงเวลาเททองเกือบรุ่งสว่างปัจจัยที่จะถวายพระอาหารเลี้ยงพระและอะไรๆก็ยังไม่มีทั้งนั้นร่างของผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเป็นธุระของเขาเองรวมทั้งการบอกแขกด้วยเจ้า ก, ก็สั่งเด็ดขาดไม่ให้ท่านสมพัน์เกี่ยวท่านสมพันผู้น่าสงสารหลวมตัวเข้าไปอีกเปราะหนึ่ง คือรับผิดชอบทำสัญญากับช่างก็หนักพออยู่แล้วยังต้องมาเป็นผู้รับผิดชอบนิมนต์พระเข้าอีกถ้าหากพระไปแล้วงานไม่มีหรือไม่มีอาหารเลี้ยงพระจะทำอย่างไรท่านไม่ต้องแบกกรดเข้าป่าหรือเขาจะลือกันทั่วทั้งคุ้งน้าว่าสมพานเสียรูผ้ผีแล้วสมพานองนี้หรือจะยอมเสียหน้าให้ใครๆอย่างนั้นใครๆ เขารู้นิสัยดีแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ดิบแล้วนี่เพื่อความแน่นอนท่านสมพานกับใครๆอีกหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยได้ไปที่บ้านหลังนั้นในเย็นวันนั้นเองเป็นบ้านโบราณเก่าๆที่ลานบ้านเต็มไปด้วยโคลนจากการสอบถามเจ้าของบ้านปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ตั้งใจจะทำงานหรือทาบุญสุนทานอะไรเลยไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้าว่า บ้านของตนถูกกำหนดเป็นที่ตั้งงานออกเกเิกท่านสมพาและคณะต้องกลับยังนิวาสถานด้วยความมืดมนตามเคยหลังจากที่ได้คาดขั้นกับเจ้าของบ้านไว้ว่าเย็นพรุ่งนี้จะมีพระมาสวดมนต์ที่บ้านของเขาแน่ๆรอดูก็แล้วกันเพราะคนไปนิมนต์พระไว้แล้วมันเรื่องจวนตัวด้วยกันทั้งนั้นเจ้าของบ้านก็ออกอึกรเเต็มทีว่าจะมาสวยดยังไง ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่รู้เรื่องด้วยรุ่งเช้าวันแห่งความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ก็มาถึงดูเหมือนจะไม่มีใครตื่นเต้นเท่าพวกลูกศิษย์พระครูพรมเพราะรู้เรื่องกันมาตั้งแต่ต้นและยังไม่รู้ว่ามันจะลงเอยอย่างไรสำหรับท่านสมพานนั้นเป็นอันถึงแก่วุ่นวายทีเดียวบุรีใบาจากถูกเผามวแล้วมวนเล่า บนอุบอิบอยู่คำเดียวว่าเล่นกับผีถ้ามันแย่แต่มันหลวมตัวมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทำใจดีสู้เสือท่านสมพานพร้อมด้วยพระลูกวัดสองถึงสรูปและข้าพเจ้าด้วยได้ไปถึงที่บ้านนั้นราวๆสัก8นาฬิกาตามเรื่องของการจัดงานหล่อพระวันนี้จะต้องเป็นวันลงงานเย็นเริ่มเผาทอง ทีสวันต่อไปเป็นเวลาเททองแต่เมื่อเราไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วทั้งบ้านเรือนและผู้คนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้มีการเตรียมการอะไรทั้งสิน้นท่านสมภาร น, นั่งหมุนไปหมุนมาบนอยู่แต่ว่าตายแล้วสิบ่ายนี้ที่ช่างทำสัญญาไว้ก็จะมาถึงทัพพีหักอันเดียวที่หล่อพระก็ยังไม่มีเสร็จแล้วก็หันมาปรับทุกข์ว่า เย็นนี้พระที่นิมนต์ไว้ตั้ง 30-40 ถึงองค์ก็จะมาสวดแล้วจะนั่งที่ไหนกันมันจะหล่อพระหรือเผาพระก็ไม่รู้สิแต่ในขณะที่บรรยากาศในที่นั้นกำลังซบเซาลงอย่างถึงที่สุดแล้วโดยที่ใครๆไม่คาดฝันร่างของผู้ใหญ่บ้านก็โผล่ขึ้นบันไดามาลักษณะบอกว่าเจ้าทรงมาแล้วเหมือนกัน นี่คุณพรม้มร่างของผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นด้วยเสียงที่ค่อนข้างมีอำนาจฉันบอกแล้วว่าเรื่องต่างๆเป็นธุระของฉันเองเธอจะมานั่งทุกข์ใจอยู่ทำไมก็ป่านี้แล้วอะไรยังไม่มีสักอย่างเงินค่าจ้างช่างก็ยังไม่มีสักสตางค์แล้วทองก็ยังไม่มีสักชิ้นที่ทางก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยพระครูพรมต่อว่าเจ้าอย่างน้อยใจ ที่ทำให้หลวมตัวไปทำสัญญากับช่างและในมณนพระเกือบครึ่งร้อยร่างของผู้ใหญ่บ้านก็ปลอบว่าเออนะฉันรู้ธุระของฉันเองเธออยู่เฉยๆคอยรับแขกช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันว่าแล้วร่างของผู้ใหญ่บ้านหันไปพูดกับหญิงชราเจ้าของบ้านว่าเออแม่ฉันขอยืมบ้านทำงานหน่อยนะไม่ให้หนักใจอะไรทั้งสิ้น อาหารการกินของผู้คนฉันจะหามาเองเจ้าของบ้านก็รับปากทั้งทั้งที่งงๆแต่ร่างของผู้ใหญ่บ้านก็พูดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้นะฉันจะไปเป่าร้องให้คนเขามาช่วยว่าแล้วร่างของผู้ใหญ่บ้านก็นั่งนิ่งเอียงศีรษะนิดหน่อยเหมือนตอนส่งวิญญาณไปดูฝีมือช่างหล่อพระคราวก่อนนั่นเองเงียบไปไม่ถึงอึดใจร่างผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มากันเต็มท่านสมพานพอยิ้มออกนิดหน่อยอย่างน้อยก็ได้ร่างของผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นประกรันหากเกิดมีอะไรเหลวขึ้นเราสนทนาเรื่องต่างๆกับคนบ้างกับเจ้าบ้างเพื่อค่าเวลาตลอดเวลานั้นร่างของผู้ใหญ่บ้านนั่งขัดสมาธิอยู่บนอาสนะเหมือนท่านสมพานขึ้นไปอีกอาการที่นั่งนั้น ก้มหน้าหลับตาที่มือซ้ายนิ้วกลางหรือนิ้วชี้พับเข้าไว้ตลอดเวลาท่านสมพานบอกว่าตามประวัติของพ่อเนรเมื่อยังมีชีวิตอยู่นิ้วมือของท่านด้วนนิ้วหนึ่งเพียงประมาณ10นาทีให้หลังเรือบดพาหนะประจำตัวของชาวแม่กลองก็เริ่มทยอยกันมายังบ้านนั้นพร้อมด้วยเศษทองเหลืองทองแดง ขันแตกทัพีหักและมีข้าวสารฟักแฟงแตงกวาหมูไก่ปลาเนื้อมาเรื่อยเื่อยยิ่งสายข้าวผู้คนก็ยิ่งมากล้นบ้านลงไปอยู่ตามร่มไม้ใต้ถุนเรือนกองเศษทองสูงขึ้นสูงขึ้นเงินลงขันก็มากขึ้นมากขึ้นเราพยายามถามทุกคนที่มาและผู้มาก่อนก็ถามผู้มาทีหลังว่าใครไปบอกให้มา เกือบทั้งหมดของผู้มาต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้นีใครไปบอกจำไม่ได้เสียแล้วว่าเจ้าพ่อจะหล่อพระให้เอาทองและของกินมาช่วยโรงครัวพวกเราเริ่มแปลกประหลาดใจในเรื่องนี้ไม่มีใครไปเป่าร้องหรือเรียรายทุกคนตอบได้เพียงว่าคล้ายๆมีคนมาบอกว่าจะมีงานหล่อพระ แต่เขาก็จำไม่ได้สักลายเดียวว่าเขาได้ทราบข่าวนี้จากใครจะเป็นที่ว่าเจ้าพ่อได้ไปเที่ยวดนใจพวกนั้นอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่คนนี่คนตั้งมากมายและมากันไกลๆก็มาพอบ่ายหน่อยลานบ้านก็ยัดเยียดเบียดเสียดกันอย่างนี้และกระมังที่ท่านว่ามาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในเรื่องจะตุรงสัสนิบาศ ไม่มีปัญหาหนักใจท่านสมพานตกค้างอยู่อีกเลยงานทุ ก, กนแนง่งถูกพวกที่มาปรึกษากันเองจัดกันขึ้นเองพวกผู้ชายสร้างปรมพระสวดชยันโตทางด้านตะวันตกลานบ้านตรงซอกระหว่างต้นซ้อมโอ ก, กับกอกล้วยด้านทิศใต้าลานบ้านซึ่งมีต้นมะขามใหญ่เขายกลรงลิเกชั่วคราว ซึ่งบางคนกำลังถูกส่งไปหาจ้างลิเกมาเล่นสมโพธตรงกลางบ้านเตรียมไว้เผาทองพวกผู้หญิงเปิดโรงครัวขึ้นที่หลังเรือนสิ่งเหล่านี้อยู่ในความปงการของร่างผู้ใหญ่บ้านทั้งสิน้นจะให้ทำอะไรขึ้นตรงไหนร่างของผู้ใหญ่บ้านจะชี้บอกให้เพราะท่านเป็นเจ้าของงานมาถึงบัดนี้พวกเราทุกคนเกิดความเชื่อมั่นแล้วว่า ในร่างของผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าหรือวิญญาณอื่นสิงอยู่แน่นอนคือในการเล่าแต่นี้ไปผมขอเรียกร่างผู้ใหญ่บ้านว่าเจ้าพ่อเลยทีเดียวแต่หากหมายถึงเจ้าพ่อในร่างของผู้ใหญ่บ้านมีสิ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือสารเพียงตาเจ้าพ่อสั่งให้ยกสารเพียงตาทางตะวันออกของลานบ้านคือชิดไปตามริมคลองที่แปลกคือ สารเพียงตานี้ท่านให้ยกพื้นอย่างแข็งแรงใช้แผ่นกระดานปูยาวไปตามริมคลองสักหกวาเห็นจะได้ถ้าท่านนึกวาดภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงอัจฉริ์สำหรับดูมวยงานวัดก็แล้วกันเจ้าพ่อบอกว่าจะมีเจ้าจากขุนเขาลำนาวพลายหลายท่านมาช่วยงานท่านท่านจะเชิญขึ้นนั่งบนสารทั้งหมดตอนเททอง จึงต้องทําสารเพียงตายาวและแข็งแรงคําสั่งของเจ้าพ่อทำให้พวกเราสงสัยไปทําตามกันว่าเจ้าที่มาจากขุนเขาลําเนาไพรเหล่านั้นก็เป็นเพียงวิญญาณทําไมจะต้องมีน้ําหนักและกินที่ด้วยแต่ก็ไม่มีใครโต้แยง้งเพราะทุกๆดวงใจของคนจํานวนร้อยโดยตกอยู่ภายใต้การบงการของเจ้าพ่อหมดแล้วตอนบ่าย มีฝนตกพรำตลอดเวลาผู้คนกำลังทำงานกันอยู่อย่างชุลมุนทีเดียวพวกที่ไม่ทำงานก็ขึ้นไปอัดกันแน่นอยู่บนเรือนเพื่อเฝ้าดูอากับกิริยาและฟังคำสั่งของเจ้าพ่อผมเองก็นั่งอยู่ใกล้ๆเจ้าพ่อนั้นด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่คาดฝันอีกเหมือนกันสักครู่ร่างของผู้ใหญ่บ้านเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ได้ยิ้มันคล้ายๆกับจะมีใครคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับท่านได้เข้ามาหาแต่ก็เปล่าไม่มีใครเะพ่อมองหน้าคนนั้นคนนี้อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าเขามากันแล้วว่าแล้วก็ชี้มือไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆผมพลางพูดว่าขอยืมตัวให้เขาเข้าทรงหน่อยนะพอขาดคา ร่างของผู้ชายนั้นก็กระตุกพรวดพลาดครู่หนึ่งแล้วก็วางท่าเหมือนกับคนที่ผีเข้าทรงแล้วเสร็จไปคนหนึ่งเจ้าพ่อมองหาคนต่อไปแล้วก็ชี้เอาผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างอีกสามถึงสี่คนว่าขอยืมตัวให้เขาเข้าหน่อยสิ้นเสียงเจ้าพ่อร่างเหล่านั้นก็แสดงกิริยาปึงปังวางท่าเป็นคนที่ผีเข้าแล้วต่อไปโดยในนี้ เมื่อมีเจ้ามาจากทะเลบ้างปากเขาบ้างเจ้าพ่อก็เที่ยวชี้ยืมร่างคนนั้นคนนี้ให้เจ้าเขา่ารวมเบ็ดเสร็จกว่าจะถึงข้าดูเหมือน 11-12 ถึงคนเขาแล้วบริเวณงานรู้สึกคลึกคลื้นขึ้นอีกเป็นนันมากเพราะพวกร่างที่ทรงแล้วนั้นเขาก็คุยกันสวนเสหเฮา ว่ากันตามภาษาผีที่นานๆจะได้มาร่วมงานกันสักครั้งและเป็นงานที่เจ้าพ่อเนนเป็นเจ้าภาพด้วยร่างที่เข้าทรงโดยเจ้าผู้ชายก็ทาเป็นกริบกลายหยอกล้อร่างที่เข้าทรงโดยเจ้าผู้หญิงร่างที่ทรงโดยเจ้าผู้หญิงก็ทำเป็นมีจริจจกานเ อ, อียงอายจาได้ว่ามีเจ้าสาวๆมาด้วยสองเจ้า พวกร่างที่เข้าทรงแล้วเหล่านี้แทนที่จะนั่งอยู่เป็นที่เป็นทางเหมือนคนทรงที่เราเคยเห็นก็เปล่าเขาพากันเดินปะปนไปในพวกมนุษย์ที่กำลังทำงานเที่ยวสั่งนอนสั่งนี่เจ้าบางอง์ปีนขึ้นไปขย่มสารเพียงตากลัวมนุษย์จะทำให้ไม่แข็งแรงพวกเจ้าผู้หญิงก็เข้าไปปะปนวนเวียนอยู่ในโรงครัวช่วยมนุษย์ผู้หญิงทาอาหารเลี้ยงแขก มันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้ทั้งคนทั้งผีเดินปนเป์กันไปหมดแล้วก็พูดจาถามไถ่กันโดยใช้ภาษาไทยนี่แหละที่ยุ่งมากคือเจ้าเด็ก 2-3 ถึงเจ้าคือเจ้าที่มาในงานเกิดพาผีเด็กมาด้วยเหมือนกับคนเราไปช่วยงานกันแล้วพาลูกไปด้วยนี่เองที่มันยุ่งนั้นคือ เฉพาะเนีนเกิดยืมร่างคนแก่ให้เจ้าเด็กเข้าทรงคนแก่ผู้ชายสองคนแก่ผู้หญิงหนึ่งทีนี้คนแก่เหล่านี้พอเจ้าเด็กเข้าทรงก็ต้องแสดงเป็นเด็กสนเหมือนเด็กๆไม่มีผิดเลยร่างที่ทรงเจ้าเด็กเหล่านั้นก็ชวนกันวิ่งเล่นไล่จับกันเล่นเอาเถิดกันพวกมนุษย์ก็ดูกันสนุกสนาน ครั้นเล่นหนวกหูมากๆเจ้าพ่อเนียนก็ตะโกน ล, ลงมาดุสงบไปทีแล้วก็สนกันใหม่ผมอดอรนทนไม่ได้ก็เลยถามเจ้าพ่อดูว่าในเมืองผีนั้นมีเด็กๆหนุ่มๆสาวๆด้วยหรือเจ้าพ่อบอกว่ามีคือคนที่ตายไปอยู่ในไวัยไหนเวลาเป็นผีก็อยู่ในวัยนั้นผมถามว่าผีทุกชนิดเป็นอย่างนี้หมดหรือเจ้าพ่อบอกว่า เฉพาะพวกที่อยู่ในชั้นเป็นเจ้าเท่านั้นคือวิญญาณของผู้ตายอยู่ในระดับดีตายแล้วก็เป็นเจ้าผมถามว่าแล้วจะเป็นกันอยู่คนละนานสักเท่าไหร่เจ้าตอบว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมผมถามตอบไปว่าถ้าหากเจ้าอยากจะเลิกเป็นเจ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเสียทีจะได้ไหมเจ้าตอบว่าได้เสร็จแล้ว เจ้าพ่อก็อธิบายให้พวกเราฟังว่าในอาณาจักรของเจ้านั้นก็เหมือนกับในอาณาจักรของมนุษย์นี่แหละคือมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่และเวลาใครทํางานก็ไปช่วยกันไปเยี่ยมกันก็มีว่าแล้วเจ้าก็ถอนหายใจพลางบ่นว่าหน้าเข้าพรรษานี่งานชุกต้องไปช่วยเขาไม่ค่อยได้อยู่ติดวัดเลยเสร็จงานนี้แล้วก็จะต้องไปช่วยงานเจ้าพ่อเขาเขียว ว่าแล้วเจ้าพ่อก็มองร่างที่เข้าทรงอยู่แล้วชี้มือไปที่ร่างร่างหนึ่งซึ่งกำลังบงการให้มนุษย์ทาสารเพียงตาอยู่ที่ลานบ้านพลางบอกว่าโน่นเนี่ยเจ้าพ่อเขาเขียวตะวันรับยอดมะพร้าวแล้วสายฝนค่อยๆจางหายไประดับน้าแม่กรองยามสุกปักกำลังเ อ, อ่ขึ้นเกือบจะปิ่มลานบ้านบริเวณงานอยู่แล้ว เราคอยพวกช่างหล่อที่จะไปจากกรุงเทพคอยเท่าไรเท่าไรช่างก็ยังไม่โผล่ท่านสมพาน์พรหมเริ่มจะร้อนอาจอีกแล้วในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับช่างหล่อท่านเองก็ได้พยายามทาอย่างรอบครอบแล้วที่ช่างจะหาบ้านงานไม่เจอหนหรือเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ให้คนไปคอยรับอยู่ที่ประตูน้ำบางนกแขกแล้วช่างเหล่านั้น จะต้องมาเรือโดยวิธีเหมาลำมาเลยเพราะมีเครื่องมือหลายอย่างแต่แล้วทําไมจนถึงป่านี้ช่างจึงยังไม่มาเจ้าพ่อบอกว่าเดี๋ยวนะฉันจะไปดูซิเงียบไปสักเครื่องอึดใจก็พูดขึ้นว่าอ๋อเขามาถึงบางนกแขวกแล้วนี่กําลังคุยกันอยู่กับคนที่คุณพรมส่งไปรับแล้วเจ้าพ่อก็เล่าให้พวกเราฟังว่า เมื่อคืนนี้พวกช่างมาไม่ทันประตูน้ำบางยางปิดมาถึงเมื่อเขาปิดประตูน้ำเสร็จแล้วเลยต้องจอดเรือค้างที่นั่นตกกลางคืนโดนคนขโมยตะเกียงเสียอีกพอรุ่งเช้าก็มัวไปแจ้งความตำรวจเลยช้าอยู่เจ้าบอกว่าท่านได้ไปถามหัวหน้าช่างแล้วได้ความอย่างนี้ว่าแล้วก็หันมาสั่งการกับพวกเราว่าเออนี่ ฉันถามช่างเขาดูแล้วว่าจะต้องให้เตรียมอะไรบ้างเขาบอกว่าให้พวกเราเตรียมอิฐไว้สําหรับก่อเตาเผาทองช่วยกันหน่อยสิกําลังที่พวกเราหันไปหารือว่าจะเอาอิฐที่ไหนเจ้าพ่อก็บอกว่าอิดฉันไปขอเขาแล้วเดี๋ยวก็ส่งมาพอขาดคําเรืออิฐก็มาเทียบท่าหน้าบานไม่ช้าไม่นานอิฐก็ถูกลําเลียงมากองไว้มันเป็นเรื่องแปลก แต่จริงราวหกโมงเย็นเรือของพวกช่างก็มาถึงพร้อมด้วยลูกมือสักหกคนเห็นจะได้ช่างก็เล่าอุปสรรคที่เขามาถึงช้าให้พวกเราฟังตรงตามที่เจ้าพ่อบอกไว้ล่วงหน้าทุกประการมาไม่ทันประตูน้ำปิดถูกขโมยตะเกียงไปแจ้งความพบกับคนที่ไปรับตรงกับที่เราทราบล่วงหน้าแล้ว เรื่องนี้ทําให้เจ้าพ่อได้รับความเชื่อถือจากพวกเรามากทีเดียวสักสามทุ่มเห็นจะได้จึงได้เริ่มเผาทองกลางลานบ้านตเตาเผาทองตั้งเรียงรายกันอยู่น้ําทองเดือดพล่านส่งแสงระยิบระยับบรรดาลูกบ้านก็พากันผัดเปลี่ยนเข้าไปสูบทองเอาบุญถัดไปใกล้ปรมพระเป็นหุ่นที่จะหล่อพระ ข้างหุ่นมีโต๊ะขนาดใหญ่ตั้งเทียบไว้สำหรับลูกมือช่างจะได้ยืนเททองมีไม้กระดานผ้าจากพื้นดินขึ้นไปที่โต๊ะตัวนั้นสำหรับพวกลูกมือช่างยกเบ้าทองวิ่งขึ้นไปเทเวลาย่างเข้ายำสามผู้คนยังคงแน่นบริเวณงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมแล้วพวกช่างพักอาบน้ำกินกาแฟดาเตรียมข้อไว้สาหรับการเททอง เมื่อได้เลิกจนกระทั่งตีสครึ่งเจ้าพ่อมีคำสั่งออกมาว่าได้เลิกแล้วให้ทุกคนเข้าประจำที่ให้วงสายศีลรอบบริเวณงานแล้วท่านเองก็นำพวกเจ้าที่เข้าทรงอยู่ในร่างของมนุษย์ทั้งหมดขึ้นไปนั่งเรียงวนสารเพียงตาพวกเจ้าเด็กๆถูกดุบ่อยเพราะอยู่ไม่นิ่งชอบยั่วเย้ากันหัวหน้าช่างรายงานว่า พวกช่างพร้อมแล้วท่านสมพานก็บอกว่าพระชยันโตก็พร้อมแล้วเฮ้ยสายศีลขาดตรงต้นมะละกอไปต่อซะก่อนเจ้าตะโกนมาจากสารเพียงตาไอ้พวกมารมันมากันมากมันจะแกล้งฉันแล้วก็บ่นว่าพระจะตรัสรูทที่ไหนไอ้พวกนี้เป็นต้องยุ่งที่นั่นสมพานพรม ซึ่งทำหน้าที่ผู้รับสนองเทวราชองค์การในงานนี้ในฐานะผู้ใกล้ชิดกับเจ้าได้ส่งคนไปดูสายสินผู้ไปดูรายงานว่าสายสินขาดตรงต้นมละกอรจริงๆและได้ต่อแล้วเตรียมตัวเจ้าสะกนสั่งมาจากสารเพียงตาพวกลูกมือช่างคว้าคีมด้ามยาวเดินยือดอกเข้าไปหาเบ้าทองตามแผนงานของเขาเดี๋ยวก่อน เจ้าพ่อตะโกน ล, ลงมาอีกสายสินขาดตรงต้นมะขามไปต่อก่อนพระครูพรหมแต่ให้คนไปต่อสายสินซึ่งก็ขาดจริงๆและไม่รู้ว่าเจ้าพ่อรู้ได้อย่างไรเตรียมตัวเจ้าพ่อสั่งแต่ทอดระยะสักครู่หนึ่งก็ตะโกน ล, ลงมาอีกว่าสายสินขาดอีกแล้วไปต่อสิก่อนสายสินได้ขาดขาดต่อๆ อ, อยู่อย่างนี้หลายครั้งทีเดียว เจ้าพ่อก็บอกว่าพวกมานมันจะแกล้งท่านมันเข้ามาในสายสินแล้วจะเข้ามาในบริเวณเททองขืนมันเข้ามาในงานได้งานจะเสียทั้งช่างทั้งพระชยันโตจ้องจังหวะลงมือแล้วก็เกอแล้วเกอร์อีกจนพระครูพรหมโมโหสายสินขาดอีกแล้วเจ้าพ่อสั่งลงมาอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้พระครูพรหมนักลองดี กลับไปกระซิบกับพวกช่างว่าเอาเลยพวกเราฟังคำสั่งผีเมื่อไร่จะเสร็จพวกช่างก็เชื่อข้างพระครูพรหมฝ่ายเจ้าพ่อก็ตะโกนสั่งอย่างดูเดือดอีกคุณพร้อมคุณพร้อมฟังฉันก่อนเธอนี่หัวดื้อเดียวเนียยมิใหญ่ว่าเจ้าพ่อจะตะโกนห้ามพระครูพรมก็ไม่ฟังเสียงท่านผลักหลังพวกลูก ม, มือช่างให้เริ่มเททองได้เลย คนที่หนึ่งเดินสายอาจอาจเข้าไปเอาคีมปาดฐานไฟออกจากปากเบา้าแล้วก็คีบตัวเบ้ายกขึ้นเดินไปขึ้นแผ่นกระดานเททองด้วยความชนานาญอย่างน่าชมแน่ละ่ะแต่ละคนเททองมาคนละกี่ร้อยองค์พระแล้วเสียงเจ้าพ่อตะโกนจนเสียงแหบว่ารอ ก, กอรอกรอู้อวกมาบุกรุกเข้ามาแล้ว โอกาสเดียวกันสมพานก็กระซิบช่างว่าขึ้นเลยขึ้นเลยเจ้าตะโกนว่าคุณพรมหยุดก่อนยังไม่ทันสิ้นเสียงเจ้าช่างผู้นั้นก็ลื่นถลาลงแผ่นกระดานเบ้าทองเหวี่ยงตกน้ำทองพุ่งขึ้นสู่อากาศเหมือนไฟพเนียงงานศพพระสมผานก็ไม่ปานพระสงฆ์ที่สวดชยันโตต่างก็ลุกพรวดพลาดหลบน้าทองเหมือนจะนัดกันไว พินพาดก็หยุดส่งเสียงในทันทีทุกคนหายใจโลง่งเห็นพระครูพรมตะโกนบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรฉันบอกแล้วบอกแล้วพวกมานมันบุกรุกเข้ามาเต็มไปหมดฉันบอกแล้วว่ามันจะแกล้งเหมือนกับไม่ได้ยินท่านสมผานบ่นพื้พรมว่าก้อยกระดานมันลื่นออกอย่างนี้ไม่ดูกันให้ดีซะก่อนที่จริงฝนตกพรำตลอดเวลาโคลนก็เยอะ ท่านให้คนเอาทรายมาโรยแผ่นกระดานแล้วให้พวกช่างซ้อมเดินขึ้นเดินลงลองดูจนเป็นที่แน่ใจว่าไม่มีทางที่จะพลาดอีกแล้วท่านสมพานก็สั่งให้เริ่มเททองอีกเป็นคำรบสองลูกมือช่างพระผินพลาดเตรียมพร้อมอีกครั้งแต่พอช่างยื่นคีมไปจับเป้าทองเจ้าพ่อก็ตะโกนสั่งลงมาอีกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ฟังเสียง สมพานสั่งช่างดำเนินการต่อไปทำท่าจะเรียบร้อยช่างคนที่หนึ่งขึ้นไปถึงหัวกระดานตอนบนแล้วขณะเดียวกันคนที่สองก็กำลังเดินเหาะๆตามขึ้นมาทางเชิงกระดานข้างล่างแต่แล้วทั้งสองช่างก็เกิดสะดุดอะไรเข้าก็ไม่ทราบเขาเซถลาเหมือนนักชกมวยที่ถูกเตะบานพับจนเสียหลักเหตุการณ์อย่างเก่าก็เกิดขึ้นอีกเป็นคารบสอง แต่ครั้งนี้หล้มสองคนน้ำทองที่กำลังเดือดพล่าน6 ก, กระจายสองเป้าเดชะบุญที่ทุกคนปลอดภัยตามเคยฉันบอกแล้วบอกแล้วจะพอตะโกนลั่นด้วยความไม่พอใจและดูเหมือนจะน้อยใจที่พวกมนุษย์พากันเชื่อพระมากกว่าผีไม่ฟังเสียงอีกแล้วสมพานพรมหัวเสียเหมือนนักมวยบ้าเลือดท่านเอกตโรขึ้นบ้างเฮ้ย กลัวอะไรผีขาโตมันไม่แน่นกระดานมันก็สั่นละสิคนถึงได้หกลม้มช่างชักจะเห็นด้วยคราวนี้ช่างได้ถอนลูกมือมาจากพวกเททองทั้งสองคนให้มานั่งคุมขาโตคนละขาส่วนขาโตด้านในสองขาไม่ต้องเพราะถูกกดแน่นเข้ากับหุ่นพระอยู่แล้วคนจับขาโตะตะโกนบอกว่าเอาละ คนเททองก็เริ่มยกเบาน้ำทองพระสงฆ์เริ่มชียนันโตพินพาดทำเพลงคนที่หนึ่งเดินเข้าไปขึ้นไปจนยืนอยู่บนหลังโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็เกรงข้อมือยกเบาน้ำทองขึ้นจะเทลงหุ่นโดยที่ไม่มีใครคาดฝันแกได้มีอาการสั่นเทาขึ้นแล้วตัวแกก็เอนงนงเงนหงายหลังลงจากโต๊ะครืนน้าทองซึ่งกาลังจะเท พุ่งขึ้นไปบนอากาศเหมือนไฟแผงผู้คนแตกกระจายหลบน้ำทองพระสงฆ์ที่กำลังชิยนโตลุกพรวดพลาดขึ้นถอยไปติดด้านหลังปั๊มเหมือนกับนัดกันไว้เงียบเหมือนไม่มีคนครู่หนึ่งก็มีเสียงร้องหหยหวนขึ้นว่าโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันเป็นเสียงที่บอกว่าเขากำลังได้รับทุกทรมานแสนสาหัส บางคนคิดว่าเสียงปีศาจแต่อนิจจาเอย๋ยคนที่นั่งคุกเขา่าคุ้มขาโต๊ะทั้งสองคนถูกน้ำทองที่กำลังละลายลาดลงบนตัวเต็มแผ่นหลังร้องอดครวนตามแผ่นหลังของเขาทองยังจับอยู่เป็นคราบเจ้าพ่อเอากำปั้นทุบหัวเขากี่ครั้งไม่ได้นับด้วยความโมโหที่สมพันธ์พรมไม่ฟังเสียงฉันบอกแล้วบอกแล้วมันไม่เชื่อ เสร็จแล้วพวกเราก็หามช่างที่ถูกน้ําทองหกราดทั้งสองขึ้นไปพยาบาลบนบ้านตอนนี้พระครูพรหมไปสนใจอยู่กับคนเจ็บน้อนการสั่งของเจ้าพ่อค่อยสะดวกขึ้นท่านสั่งให้คนไปยืนรายไปตามทางสายศินคอยรักษาอย่าให้ขาดแล้วก็เริ่มเททองสําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเสร็จจากเททองแล้วเจ้าพ่อสั่งให้เอาน้ํามาหนึ่งกระป๋อง แล้วท่านก็ทำน้ำมนต์เทรถตัวคนที่ถูกน้ำทองี่แรกพระครูพรมไม่ยอมท่านบอกว่าเดี๋ยวพิษไฟมันหลบในก็ตายกันเท่านั้นโต้กันไปโต้กันมาอยู่พักหนึ่งดูเหมือนคนเจ็บจะสมัครใจอาบน้ำมนต์จะพอเลยเอาราดลงไปประหลาดอะไรอย่างนั้นพอราดน้ำหมดกระป๋องเขาก็หายเป็นปลิดทิง้งแผ่นทองที่จับเป็นคราบอยู่ตามผิวหนัง หลุดออกหมดทิ้งรอยถลอกไว้ตามผิวหนังเพียงนิดๆหน่อยๆนี่แหละท่านเรื่องครึ่งผีครึ่งคนโปรดวิจารณ์ดูเองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วผมเองก็ไม่ได้จดบันทึกไว้เพราะสมัยนั้นก็ไม่คิดที่จะเอามาเล่าฉะนั้นรายละเอียดบางอย่างที่เล่ามาอาจคลาดเคลื่อนบ้าง น, นิดๆหน่อยๆ แต่เนื้อหาของเรื่องรับรองว่าไม่ผิดขอได้โปรดช่วยกันวิจารณ์ดูสำหรับผมเองก็อย่างว่านั่นแหละครับเรื่องของผีผมไม่อยากยุ่งไม่อยากไปแทรกแซงเขาและผีก็ไม่เคยมาแทรกแซงทำให้ผมช้ำอกช้ำใจเลยคนสีนหน้ากลัวมากกว่าผีนึกขึ้นมาแล้วเฮ้ออย่าให้พูดเลย